วิสาชนะธรรมกับท่านองค์ตาน์สักพินาเลโยตอนสักแต่ว่ารู้ที่ประพฤติใจเริ่จะทำให้เราเนี่ยเจ้าหน้าเติโโตไปยิ่งใหญ่ต่อไปในโลกได้สามารถเกื้อกูลคนอื่นได้เกื้อกูัพุทศาสนาได้เกื่อกูลโลกได้ ช่วยเหลือคนในโลกในชาติให้เขาพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากสังขารทั้งมวลคือหลุดพ้นจากคิดส้หลุดพ้นจากกิดที่มันคิดหลุดพ้นจากกิดที่ตัวเราปรุงแต่งไปรู้ไอ้ตัวเราที่ปรุงแต่งไปรู้เนี่ยมันเป็นสังขารถ้าเราหลุดพ้นจากมันได้มันเป็นรู้ที่เป็นวิพานธาเป็นธรรมธาตุเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากไอ้ไอ้สังขารเดือดดาคือตัวเราร่างกายแล้วก็อยู่พ้นจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในโลกนี้ทั้งหมด ได้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ทั้งวันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนตลอดไปตลอดชีวิตจนกว่าไอถึงเช้าที่ทหนึ่งยุไคไอไอร่างกายเนี่ยที่มันของปรุงแต่งมันก็ดับลงเน่าเปื่อยหูฟังไปไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มึงมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอาการที่ปรุงแต่งที่มันเกิดเกิดดับดเกิดเกิดั บ, บมันก็ดับไปอาการที่ไปรู้อะไรแล้วมันคิดปรุงุงคิดรู้แล้วคิดปรุงปรุงคิดไอนี้ก็เป็นอาการปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเหลือแต่รู้เหลือแต่รู้ไอรู้ที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ย หรือจิตเราเนี่ยจะไปรู้อะไรแล้วมันคงแตกเนี่ยมันเหนือกว่าจิตเราขึ้นไปคือมันรู้ว่าจิตเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันพุ่งแตกรู้อะไรแล้วก็คิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยตามที่เราพูดอยู่กับรู้นั่นนะรู้จับตมารู้ร่างกายจิตใจเราเนี่ยสักต่วรู้ไอ้ตัวเราพูดไปรู้อะไรแล้วมันคิดวิเคราะห์รู้อะไรแล้วไปคิดวิเคราะห์ตามไปมันต้องตัวเรานี่ไปรู้แล้วมันต้องคิดวิเคราะห์ไม่คิดวิเคราะห์เื่อบือตายโง่ตายจะไป็ํารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย รู้นิ่งรู้นิ่งไม่ได้นะรู้ต้องวิเคราะห์วิจารวิจยตตัยสังเกตสังกาจดจําเรียนรู้สัมค่าข้าใจ <unt. S 1> มันจะไเป็นคนฉลาดแต่ไอ้ผู้ที่มันเหนือตัวเราขึ้นไปคือมันรู้ว่าตัวเราเนี่ยจะ่ไปรู้อะไรแล้ววิเคราะห์วิจารณวิจัยยิ่งฉลาดขึ้นไปเนี่ยไอ้นั่นแหะมันรู้รู้ว่าตัวเราเนี่ยผไปรู้อะไรแล้วต้องคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยฉลาดยิ่งขึ้นไปฉลาดยิ่ขึ้นไปไอ้รู้อันนั้นเ น, นี่ยที่มารู้ตัวเรารู้ร่างกายจิตใจเราที่ไปรู้อะไรแล้วคิดวิเคราะ ไอ้รู้ว่าหลังเนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นบุทธาตเราต้องอยู่กับรู้นี่แน่อยู่แต่รู้อะไรกันรู้สับตะวาร้ร่างกายจิตใจเราสับตะวารุไอ้ไอ้ตัวเราหรือจิตเราจะไปรู้อะไรแล้วมันคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยเนี่ยเราจะไปห้ามมันได้แต่รู้มันได้แต่รู้มันได้รู้อะไรก็รู้ตัวเรารู้ร่างกายจิตใจเรารู้ผู้รู้เนี่ยละรู้ตรงผู้รู้กับรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันเป็นตัวสมมุติไปรู้อะไรไว้เนี่ยย้ยร่างกายจิตใจเราหรือไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะต้องแตกดับไปตามการเวลาของมัน แต่ผู้ที่มารู่ล่างกาจิตใจเราไอ้รู้รู้ตัวเราที่ไปรู้อะไรแล้วคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยเนี่ยไอ้ผู้รู้ว่าหลังเนี่ยมันเป็นพุทธะเป็นนิพพานธาตุมันเป็นอมตะไม่ตายเป็นพุทธะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีกิริยาการใดๆม่นแต่รู้แต่จะรู้แต่รู้แต่ตัวเราที่ไปรู้อะไรมันจะคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยแต่ผู้ที่มาลู่ตัวเราเนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุมันเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธาตุเป็นพุทธะเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือ รู้ไม่หลงลลเลยรู้รู้ตื่นไม่หลงนะ้ตื่นก็คือตื่นจากความหลงมาเป็นผู้รู้จักรวาลรู้อยู่อย่างนี้แน่นมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเพราะไหวรู้ที่เป็นผู้ทานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความไม่มีตนตนไม่มีอะไรเลยทั้งอย่างเดียวเลย่อการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปมันเลยจะเป็นยิ่งใหญ่ในโลกในจักรกวาลได้คือมันไม่ดมได้ยิ่งใหญ่มาหรือว่าเป็นยิ่งใหญ่ด้วยกิเลสละมันก็คือมันเหนือโลกเหนือจักรวาลเหนือได้หมด เพราะมันไม่มีตัวตนอะไรเลยมันมนัมันได้การเป็ยหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินนแน่ๆจะทําให้เราเนี่ยสามารถเกือ้อกูลเกือ้อกูลตัวเราเองให้พ้นทุกข์พ้นจากสังข า, ทง า, ร, า, งารทั้งมวลคือพ้นจากร่างกายจิตใจที่ปรุงแต่งมันก็จะหลุดพ้นจากสังขารมัจะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะไปเกือ้อกูลโลกเกื้อกูลพระศาสนาเกื้อกูลผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดศา ส, สนาใดให้เขาพ้นจากความคิดพ้นจากความเครียดพ้นจากความทุกข์ เมื่อก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากความคิดใดเขาก็ต้องมีความทุกข์ความเครียดมันจะไปเกาะเกี่ยวยึดถือลูกลดกินเสียงสัมผัสเกาะเกี่ยวยึดถือพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานมันก็ต่ออาศัยความคิดปรุงปุ ง, ปงคิดไปนี่แหละมันถึงไปเกาะเกี่ยวได้ไอ้รู้เนี่ยมันปรุงไปเกาะเกี่ยวไม่ได้มันได้แต่รู้ แต่ถอาตัวเราเนี่ยตอนในขั้นตอนที่เอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันที่มันรู้แล้วคิดปรุงปรุงคิดได้ไอ้ตัวเราที่ไปรู้อันนี้มันยังวิเคราะห์ได้ยังคิดปรุงได้มันเกาะเกี่ยวได้แต่ไอ้ผู้ที่เหนือเหนือกว่าตัวเราขึ้นไปที่เราไปรู้อะไรแล้คิดปรุงปรุงคิดที่มันรู้เนี่ยที่มันรู้ตัวเราว่ารู้อะไรแล้วแตคิดปรุงปรุงคิดไอ้รู้อันหลังเนี่ยมันเป็นวิ판ธาตุมันไม่มีกิริยาการใดๆมันคิดปรุงไม่ได้มันเลยไปเกาะเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ไอ้รู้นั่นแหเป็นหนึ่งเดววกกัับธรรรมชาาติจ จักรวาลคือความว่างเปล่าของจักรวาลไม่ได้รู้ว่าคือความว่างคือมันเป็นความไม่เหนียวเลยเลยเพราะว่ามีบางคนพยายามไปจับความรู้สึกว่างๆเป็นตัวเราไว้อันนี้ก็เพี้ยปากไปจับความรู้สึกว่างๆเป็นตัวเราเมื่อวานก่อยเราเจอไปสอนไม่ไม่ไม่จับไม่ยึดอะไรแล้วสังขารน้งมูลในโลกนี้ไม่ยึดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ไม่ยึดไอ้ผูดไอ้ผูดที่ไปรู้แล้ววิเคราะห์วิจารณวิจัยก็ไม่ยึดแต่แต่ว่าตับ ก็รู้อ <p> ย <itting hal> ู <t J lek> ่ว <t g ik arp> ่ามันรู้อะไรแล้วคิดไปกอิจารณิจัยก็มาคิดมันอีกก็ได้แต่รู้มันแต่ไปยึดกองว่างไว้รู้อะไรรู้ดให้ใจว่างๆไว้รูอะไรให้ใจมันว่างๆไว้ไปยึดกองว่างไว้ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือเราคือความว่างมันก็เลยเสร็จมาเลยนั่นีอก็ทำมาจิตมันนิ่งเฉยแต่ตอนนี้ความคิดก็เข้ามาได้เพราะว่ามันเราความปรุงแต่งไปยึดกองว่าง ก่อนแรกเขาก็บอกว่าอ้าวอาจารย์บอกว่าตัวเราไม่มีเราไปยึดความไม่มีทําให้ตัวเราไม่มีไว้เส็จมันก็ไปยึดน่ไปสร้างความไม่มีเป็นความมีคือความไม่มีเน่ยคือตัวเราเลยเลยกายเป็นความไม่มีเลยกลายเป็นมีเลยเข้าใจไหมเงี้ยดีไหนดีๆนะวิเคราะห์ตามเราพูดเนี่ยจะได้เข้าใจทีหลับห้า การเผและคืเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ตลอดวิจิตเป็นคิดวิเคราะห์่ปรู้อะไรต้องคิดวิเคราะห์ตลอดแต่เราไม่เผอเราเป็นผู้รู้ตลอดรู้จิตที่ไปรู้อะไรแล้วคิดวิเคราะห์ตลอดถ้าขนาดจิตใดถ้าเราไม่รู้จิตเราที่ไปรู้อะไรแล้วต้องคิดวิเคราะห์ตลอดเนี่ยแล้วต้องคิดวิเคราะห์ตลอดเลยถ้าเราไม่รู้ทุกคิดวิเคราะห์เนี่ยที่มันจิตเราไปรู้อะไรทุกมันจะต้องรู้ตั้งตารู้ต้องหูรู้ต้องมันรู้ตังริ้รู้ตังกายรู้ตังใจ แม้แต่มันรู้ความคิดมันก็ยังคิดทีเคราะ์ต่อเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะขนาดจิตใดเราไม่เราไม่รู้จิตเราทิ้งเลยคิดทีเคราะ์คิดทีเคราะห์มันไปรู้อะไรแล้วคิดทีเคราะห์รู้อะไรแล้วคิดทีเคราะแม้แต่รู้ความคิดรู้อาการที่ว่ามันยังคิดวิเคราะห์เลยถ้าเราไม่รู้ปุ๊บขนาดจิตใจไม่รู้นั่นคือหลงแหละเราต้องรู้ขึ้นมารู้ก็ไม่เมีไม่รู้อะไรละไม่รู้เพื่อเป็นอะไรหล่ะรู้สักแต่ว่ารู้รู้สับตะวันรู้แค่รู้ด้ว่อยเลยแค่รู้แค่ให้ได้รู้แค่ได้รู้แค่นั้นแหละ แต่แค่นี้เองไม่จะ่ว่ไปรู้แล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่ไม่รู้สิเพราะว่าทุกขณะจิตนั่นที่มันไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสไปรู้อาการทางใจรู้อาการทางกายรู้อาการทางใจแม้แต่รู้รู้ความรู้สึกใจรู้ความนึกรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ความว่างๆมันจะต้องคิดวิเคราะห์ตลอดโดยธรรมชาติไม่คิดวิที่ข้์ไม่มีเราต้องรู้ตรงไหนไอ้จิตที่ไปรู้แล้วมาคิดเที่ข้อนี่แหรู้ตรงนี้เนี่ย จะจะขาดรู้แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่รู้แค่แค่ได้รู้แค่ให้ได้รู้ทุกขณะปัจจุบันทุกขณะทิ่ปัจจุบันให้แค่ได้รู้ทุกขณะที่ปัจจุบันแค่รับรู้รับทราบเมื่อเรรู้แล้วเดี๋ยวผมต้องเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวหนูต้องไปเป็นอะไรอีกสุดท้ายต้องเป็นอะไรอาจารย์ถามอยู่ใส่อย่างเนี้ยเราไม่เป็นอะไรเราให้แค่ได้รู้ทุกขณะที่ปัจจุบันแค่นี้เนี่ยแค่รู้นี่เนี่เพราะว่าไอ้แค่รู้เนี่ยมันเป็นนิพพานภาตุไจะไปเอาอะไรกันไม่ได้มีเรียนรู้แล้วเดี๋ยวตัวเราจะต้องไปเป็นอะไรเนี่ย เนี่ยยะเนี่ยสังเกตดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เห็นตามที่เราพูดเนี่ยว่ามันจริงไหมเห็นตามเนี้ยแล้วปฏิบัติได้จริงไหมอย่างที่เราพูดปฏิบัติอย่างนี้เลยไม่ใช่วากลับมปฏิบัติที่บ้านนะ <c oughs> มนันจริงไหมมันเป็นจริงอย่างที่เราพูดไหมไม่ว่าจิงเนี่ยมันจะไปรู้อะไรเนี่ยมันจะต้องคิดวิเคราะห์ตลอด เราก็ได like so right, so ้แ <tahun> ต่แค่รู้จิตที่มันรู้จิติี่เรียนไปรู้อะไรแล้วคิดวิเคราะห์เลยถูตรงคิดวิเคราะห์เนี่ยมันไม่รู้อะไรก็ต้องคิดวิเคราะห์รู้อะไรใดๆก็ต้องคิดวิเคราะห์แม้แต่มันรู้ความคิดที่คิดวิเคราะห์มันตัวเองก็ยังคิดวิเคราะห์เลยเราไปห้าอย่าไปห้ามมันเพราะว่าไอ้ตรงที่มันคิดวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นมันทําให้แต่อาศัยไอ้ธาตุรู้นี้นิพานธาตุเนี่ยมันได้อาศัยได้รู้ถ้ามันไม่มันไปรู้อะไรแล้วมันไม่คิดวิเคราะห์เนี่ยอันนี้นิพพานธาตุมันจะไม่มีโอกาส ว่ามารู้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอาศัย da ได้ระลึกรู้เลยถึงกจะเรียกว่าสติมีเอ็มีตัวคิดเนี่ยไอ้กิตคิดนี่ก็ไปรู้อะไรได้คิดนี่ก็นี่ก็ทุกขณะปัจจุบันเป็นเครื่องอาศัยให้ได้รู้ทุกขณะจิตปัจจุบันอาศัยนะอาศัยให้ได้เป็นเครื่องระลึกรู้เป็นเครื่องร่อเครื่องรอยได้รู้ทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่เอาไปไล่รู้อะไรหรอกก็ได้รู้จิตที่มันไปรู้อะไรแล้วมันก็คิดนี่ก็รู้อะไรได้คิดน่ก็เนี่ย ไอ้ธาตรู้หรือนิพานธาตที่ประกอบด้วยสติเนี่ยมันก็เลยที่เราไม่หลงไปกับอะไรมันก็เลยได้แต่รู้ได oh ้แต่รู้ได้แต่รู้แค่ได้ร re ู้นี่เนไ่ยรู้เนี่ยคือนิพานแก่ตอบตอบรู้ไม่ไปเอาอะไรเหมือนแค่เอาแค่รู้คนนิพันต์เนิพานแก่ตอบตอบรู้เนิพานรู้ซื่อๆนิพานนะหนังสือเรามีอยู่แล้วรู้ซื่อๆนิพานเราจะไปเอาอะไรรู้แล้วดีจะไม่ได้อเลยอาจารย์รู้ถ้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้อะไรจะได้อะไรก็ไอ้รู้เนี่ย ไอ้รู้ซซื่อมันได้พ่านไอ้สัตว์แต่ว่ารู้ทุกขนาดปัจจุบันรู้อะไรก็ไอ้รู้ไอ้รู้จิตที่มันคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ทุกขนาปัจจุบันเนี่ยที่ไปรู้อะไรปุ๊บก็จคิดวิเคราะห์รู้อะไรก็คิดวิเคราะห์แต่ถ้าเราขาดสติหลงเพลิ่งคิดอะไรไฟเรื่อยเปื่อยอันนี้มันไม่ีรู้แล้วหลงแล้วเมื่อไรคิดไม่เป็นรู้แลมันจะหลงคิดทันทีโดยอัตโนมัติเป็นอัโต้เลยดังนั้นเราต้องรู้จิตคิดไปรู้อะไรแล้วมันต้องคิดวิเคราะห์ทุกอย่างเลยทุกขนาปัจจ ผูรู้เราเนี่ยต้องอยู่กับผู้รู้ที่สัตวารู้ไอ้จิตคิดที่เข้าทุกขนาปัจจุบันปัจจุบั น, น, บบนถ้าไมรู้หลงคิดเลยนะไม่ร<อ>ู้หลงคิดเลยไม่ได้ทำอะไรได้มากเลยได้แค่แต่แค่รู้หรือสัพตวารู้อย่างพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตัดกับไฟยะถ้าเธอสัพต ว, วนะเนี่ยสัตวารู้สัตวรรู้นี่นะี่ย จับตะวรู้สับตะวรู้ต <t ale plus poetry> so ั้งตาจับตะวรู้ตั้งหูสับตะวรู้ตั้งใจนั่นแหละเธอจะทิ้งตัวตนของเธอในในโลกนี้เลในโลกหน้าเธอจะบรุพนิพพานเธอจะพ้นจากทุกข์เธอจะบรรลุพนิพานเธอแค่สัตแต่ว่ามันทาอะไรล่าไม้แค่แต่สัว์แต่ว่าสัตว์แตวัรู้อะไรก็รู้จิตอยู่นะรู้จิตจี่มันจิตจิตจิติดจิตจิติติตจ เราจะห้ามไม่ได้เราไปให้กินมีอาการห้ามไม่ได้กิบมีอาการตลอดเนี่ยห้ามไม่ได้เราจะบอกแม่กินมีอาการอจินเป็นธรรมชาติมันต้องมีอาการธรรมชาติรู้คนได้รู้จิตที่มีอาการหรืออาการทุกจิตเนี่ยทุกขณะปัจจุบันจะไปรู้อะไรรู้อย่างอื่นมันก็หลงหมดมันก็รู้จิตที่จิตแสดงกิยอาการทุกขณะจิตปัจจุบันนั่นแหละมันตึงจะไม่หลงเราเรียกให้มาวันนี้ก็เห็นจิตมันวิ่งอยูนะเราบอกแฟนไปว่า จิตมันนี่งมันจะไปแช่เงี้ยหลงเออมันจะเก็บกดมากขึ้นไปนเรื่อยๆทาไม่แก้ไขต้องหองาตัวมาพิดวิธีพิดแนวตอนแรกมันลงไปอีกทางหนึ่งตอนแรกเราก็ฟัดกับทุกคนเนี่ยได้เหตุได้ผลสู้ได้เหตุผลห ม, หมดเลยทะเลาะกับทุกคนทั้งเจ้านายลูกน้องทั้งแฟน ต้องคนนั้นคนนี้พอใจที่พอใจก็เอาเหตุผลก็หักล้างกันสู้กันเอเอเราปเปลี่ยนความคิดใหม่อ่ะจ้างเขามาอยู่กับเขาดีกว่าแกนั้นเนี่ยนิ่งเลยมันกลับตกล่องมาอีกฝ่ายตกถนนอีกฝั่งเลยนะตอนแรกก็ตกถนนไปเสียงก็ตลอดเลยก็ตกถนนอีกฝั่งพอจ้างเขามาอยู่เขาดีกว่า แกคิดแกเนี้ยจิตนิ่งเลยตกสด้วยฟังมันได้เป็นมชิมาปฏิปทามันตกฝั่งซ้ายฝั่งขวามันได้เป็นมชิมาปฏิปทาคือแต่รู้ได้แต่รู้จิตเหล่านี้เนี่ยมันต้งจะเป็นมชิมาได้ดูจิตทุกคิดทุกอาการในขณะปัจจุบันที่มันวิเคราะห์ดูอะไรก็ต้องวิเคราะห์คิดต่ตองิดตอิอดูทางลูกดูกทงตาดูทงหูดูทงจมูกดูกทางลิ้นดูทางกายดูทางใจ รู้ความคิดรูล้ลามไม่ว่าจะรู้อะไรมันก็คิดวิเคราะห์ทุกอย่างรู้ต้องคิดกินไปรู้อะไรแล้วคิดวิเคราะห์นี่แนะ่รู้ต้องรู้นี่แนะ่รู้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ ต, ว, ต ว, ว์สัตว์วารู้มันไปห้ามอะไรไม่ได้ได้แต่รู้สัต ว, ว์สวารู้มันแน่ที่พพุทธเจ้าตัดกับไสยนะ์เนี่ยเธอสักแต่ว่าสัแต่วารู้ได้นะี่ยเธอจะรู้วิิลพานจะไม่มีตัวตนของเธอเลยในปัจจุบันและในอนาคตเธอจะพ้นจากทุก สังเกตให้ดีแล้วก็สุกผลให้ดีนะอย่างนี้นะอย่างนทะีนเนะ่เราพูดนเราสังเกตดูนะเรามีกวรู้สึกอย่างถ้าท่านทำด้วยอย่างที่เราพูดเนี่ยต่อไปในภาข้างหน้าท่านจะท่านจะไม่อยู่แค่ตรงนี้หรอกท่านจะมาอยู่แค่สถานที่อริกา เขาจะเติบโตไปดีกว่านี้เขาจะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติและคนไทยเขาจะทํางานไปด้วยและช่วยคนในคนทุกไปด้วยถ้าเรามีคุณค่าสักนิกาเข็จะเห็นเราเป็นคุณค่ า, าเราต้องทําตัวให้เราเปคุณค่าคุณประโยชน์ เมื่อเรามีคุณค่ามีประโยชน์และคนอื่นก็จะมองเห็นพอเราอยู่ในสัญญาณของเราจะประเมาสตัเองได้อย่างไงว่าเรามาดูงานคงว่าจะหลงหลงทิศหลงทาคือ ไม่มีตัวเราไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเขาไปมีส่วนได้เสียอะไรเลยได้แต่ลุก <sh arp> ทุกนาคัจจุบนจิตปัจจุบับบบบบบบน <sh arp> ไม่มีม ไ, ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเขาไป <sh arp> <ite> มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรไม่หลงปรุงแต่งไปโดยไม่รู้ตัวหลงคิดปรุงแต่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันก็เกาเกี่ยวความฝันหนึ่งนั้นสินี้ไม่หลงไปโดยไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้ามันหลงไปก็ลุกต <sh arp> ัวขึ้นมาหลงไปก็ลุกตัวขึ้นมาให้เร <sh arp> ็วขึ้นเรื่อยๆแต่เราเนี่ยหลงสั้นไปเรื่อยๆหลงสั้นไปเรื่อยๆ มันก็จะแสดงว่ามีความก้าวหน้าแหละถ้าหลงเมื่อเพือเพิ่นคิดเพื่อเพิ่เจริญใจปรุงแต่งไปนานไปรู้ตัวสันทีอย่างนี้ก็แย่ยิ่งฝึกมันก็ยิ่งต้องหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยหลงหลงน้อยลงหลงมันรู้ตัวเร็วขึ้นรู้ตัวเร็วขึ้นหลงแล้วรู้ตัวเร็วขึ้นหลงแล้วรู้ตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆเจ้าก็ตั้งมันเริ toast, vain, ่มหลงปุบก็รู películ, <com> ้ท <is> <Zen> ันเลยเริ่มหลงก็รู้ทันเจยวกระตั้งมันเหลือมาสับแต่ว่ารู้ไม่หลงไม่หลงปรุงไป รู้อะไรของมะรู้เนี่ยรู้จิตที่มันจิตจิมเป็นรู้อะไรละเมื่อคิดพิเคราะห์พิเคราะหิเคราะห์รู้อะไรก่คิดพิเคราะห์พิเคระ์พิจารณ์ิจัยเนี่ยอันนี้มันยิ่งพิเคราะห์วิจารณิจัยมันยิ่งทําให้เราฉลาดเป็นคนฉลาดมากเห็นอะไรรู้อะไรก็ยิ่งทำมาพิเคราะห์พิจารณ์พิจัยแต่ไอผู้รู้เนี่ยถึงเป็นนิพพานธานก็ได้แต่รู้ไอจิตเราเนี่ที่ไปรู้อะไรเรามันคิดพิเคราะ์พิจารณ์ิจัยก็ได้แต่สับสรจิตัจจุบันสรู้จิตปัจจุบันไเตะเกี่ยวอะไรมันก็เลย พ้นจากตัวเราเนี่ยก็พ้นจากกิจสังขารคือพ้นจากตัวเราพ้นจากร่างกายและพ้นจา ก, กจิตใจไอ้จิตใจสุดท้ายก็คือจิตใจของเราที่ไปรู้อะไรแล้วมันก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยดู้อะไรแล้วมีข้อวิจารวิจัยแต่เราก็เด่นแต่รู้จิตของเราที่ไปรู้อะไรแล้ววิเคราะห์วิจารวิจัยไอ้จิตตัวเราร่างกายเราแล้วที่บอกว่าจิตของเราเป็นของสมมติไม่เชื่อข่าวเดีมันจ ะ, จะดับไปตอนเราที่เหนื่อยไข่แต่จริงในปัจจุบันก็เกิดเกิดดับๆเกิดเกิดดับๆตลอดเวลาแต่มันยังเกิดเกิดดับๆได้แต่พอเราตายแล้วมันก็ถ้าเราเนี่ย เหลือแต่รู el, ane, ara, re. no puede, bottle, ้แล no ้วเนี no puede, RA, ่ยในลางการคิดใจที่เป็นรู้อะไรแล้วคิดทีเคราะห์ได้เนี่ยมันก็ดับไปหมดเหลือแต่รู้ที่เป็นนิพพานธาตุเป็นอรมติธาตุที่ไม่ไม่มีการคิดไม่มีการไปคิดวิเคราะ์อะไรได้แต่รู้จิตที่วิเคราะ์พอจิตวิเคาะดับแล้วมันเหลือแต่รู้ที่มันไม่ได้คิดวิเคาะได้แต่รู้นด้แต่รู้รู้อะไรกหล่ะก็รู้ผลรู้ผลยังไม่ตายเลยยังไม่ตายมันก็รู้ผนแล้วว่ามันได้แต่รู้จิตที่คิดทีเคราะหวิจารวิจัย ทุกขณะปัจจุบันดูลูกดูเสียงลู ก, กินดูรถก็ได้แต่รู้มัรู้ว่ามันไม่มีคาว่าได้แต่รู้คือไม่มีตัวเราเพรามีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีตัวเราเพราะเปนอารมณ์ร่วงหรือมีส่วนได้เสียเลย <c oughs> ได้แต่รู้รู้ทุกขณะปัจจุบันไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียไม่เข้าไป็นอารมณ์ร่วงถ้าอย่างเนี้ยดูตัวทัดก็บอกอินเข้าไปอินเข้าไปอินเข้าไปในบทบาทร้องห่มร้องไห้ <paused> คือไม่อินเข้าไปกับอะไรเลยไม่อินก็้าไปกับอะไรได้แต่รู้ แน่นเวลาก็มีมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียกับอะไรในทุกขนาดจิตปัจจุบันได้แต่รู้ได้แต่รู้มันก็เลยสิ้นตัวเรายึดมันก็สิ้นทุกเพราะเมื่อเรารู้สึกก็มีตัวเราก็มีส่วได้เสียมันก็คือเข้าไปยึดมันก็เป็นกิเลสมันมีผู้ยึดมันก็มีผู้ทุกท่าขณาดจิตนั้นน่ะมันเข้าไปยึดอะไรมันกับทุกทันทีเมื่อสิ้นผู้ยึดก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเรารุปนิพพานก็เรียกว่าเป็นรุปนิพพานในไหนขึ้นความก้าวหน้าเรามันจะเกิดได้ เราว่าเราแค่รู้หรือว่าสักแต่วะรู้จิตในขณะปัจจุบันไหมทุกคิดทุกอาการแต่เราสักแต่ ว, ว่รู้มันก็จะไม่มีตัวเราเป็นตัวใดเสียแต่ถ้าเราไม่สักแต่วะรู้มันก็จะมีตัวตัวเราเนี่ยก็ไม่มีตัวได้เสียหรือคนที่เข้าใจผิดคือเอาตัวเราเข้าไปรู้มันไม่ใช่แบบเป็นนิพพานธาตุหรือธรรมธาตุธาตุการธรรมชาติเขไปรู้แต่ตัวเราก็ไปรู้แ ล, รและพยายามจะไม่เห็งคิดวิเคราะห์ ให้มันรู้เออรู้เออรู้เฉยรู้เฉยให้มันไม่คิดวิเคราะอะไรไอ้นั้นมก็คือเอาตัวเราเข้าไปรู้แล้วทําให้ตัวเราเนี่ยมันเฉยเฉยคือมันมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียคือมีส่วนได้คื อ, อ <c oughs> เราอยากให้อยู่เฉยเฉยอยากให้จิตเราเฉยเฉยไม่มีข้ออะไรใจเราจะได้ไม่มีไม่มีทุก ommy. คือมันทําให้มันมีความอยากให้ตัวเราไม่มีทุกแต่นนี้มันีตัวเร า, าก็มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาพรไม่ได้อย่างใจมันเลยครับแค้นใจแลยยึดดันยืงยึ่งมีอารมณ์มันก็เลยยิ่งมีทุกพอจามันไม่พ้นทุก ยิ่งปฏิบตัติยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดแสดงว่าผิดแหละผิดลังความเหมือนได้มันจะเห็นชัดในที่เราพูดเนี่ยมันต้องหาเวลาอยู่กับตัวคนเดีเกิบเงียบบ้างเอาเวลาอยู่ตัวนเดียวนี่สังเกตมันจะได้สังเกตถ้าเราเนี่ยตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นรีลุ้รดกายสัมผัสอยู่ในทรมกลาง ผูมมกคนละม่านอยู่ในธรรการงานใจมันต้องมีเรื่องอะไรคิดมากมายเพราะมันมันมาฝ ja, <Mount> ึกอ so ตอ <ielle> นอยู smile, ่ในธรรมการมาฝึกยากมันต <un> ้องฝึกอยู่ในธรรมการมันต้องฝึกอยู่ที่ตัวคนเดียวเงียบๆบามีเวลาอยู่กับตัวตัวเองไม่จะอยู่ตัวเองแล้วไปไปไปนั่งหลับตาภาวนาอะไรนะไม่จะไปนั่งหลับตาบริกรรมอะไรอยู่กับตัวเองเงียบๆล้วสังเกตดูจิตดูใจเราอย่างที่เราพูดนี่แน่เพราะอะไรถ้าเราไปเปิดประตูมอง ตาเม็นมองนู่มองน่หูกไปยินเสียงจมูกก็ไปได้กินอยู่ลิ้นก็ไปกินอะไรอยู่้ายก็ไปสัมผัสเสียษสีอะไรอยู่มันจะมันสังเกตที่ประตูใจสังเกตยากเพราะมันเปิดทีเดียวหกประตูตายอย่างเดียวมันฝึกไม่ได้มันต้องอยู่ตัวคนเดียวกเงียบแต่อยู่เดียวถ้าไม่เชืไปหลับตานั่งนิ่งแล้วภาวนาบริกรรมบริกรรมอะไรไหมคืออยู่ตัวก็เงียบเงียบแล้วสังเกตที่ประตูใจอย่างที่เราพูดเลยเนี่ยคือไอ้จิตเนี่ย ที anto, ่เป็นผ si, ja, es. ู iksi, complain, aside, alk, er, ้รู้ขั้นแรกเนี่ยคือจิตเราเนี่ยที่เปรู้ขั้นเป็นผู้รู้ขั้นแรกเนี่ยมันไปรู้อาการของจิตรู้ใจที่ว่าไม่ว่างรู้ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายรู้อาการของใจไม่ว่าจะอาการของกายอาการทางใจไงก็ตามที่มันมันเกิดที่ไปรู้ในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันต้องคิดวิเคราะห์คิดวิเคะ์วิจารวิจัยคิดวิเคราะวิจารวิจัยตลอดเวลาเลยแล้วเราสับสะวันรู้จิตที่วิเคราะห์วิจารณวิจัยนั้นไหมล่ะ เรารู้ตรงไอ้จิตที่ไปรู้ลแล้วก็วิเคราะห์วิจารวิใจัยในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ที่ประตูใจเนี่ยแล้วเราสับแต่วันรู้ไหมละ่ะโดยไม่ขับ ม, ม, มีตัวเราก็ไม่ได้เสียเราก็จะพ้นจากทุกข์เลยเราก็จะพ้นจากทุกข์ต้องๆดีเห็นรูปต่างๆตาต่างหูต่างจมูกต่างกายสัมผัสทางลิ้น ท, ที่ที่มาสัมผัสคือพ้นจากไอ้ที่นอกตัวเราอะเราจะหลุดพ้นจากนอกตัวเราท่านหลุดพ้นจากอาการของใจได้ขอให้เราหลุดพ้นจากสังขารในในใจเราได้น เราจะหลุดพ้นจากสังขารข้น อ, อกทั้งปวงใลรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่เข้าสู่ใจเราได้แต่รู้ได้แต่รู้มันต้องมีเวลาอยู่เงียบๆอยู่ตัวคนเดียวไม่ใช่วแบบ่าอยู่คนเดียวเราไป น, านั่งนิ่งๆบริกรรมบุธรบุตบุตบุบุทรบุตรอะไรอาจจมารสมถะนะสำหรับคนที่มันฟุ้งซ่านมากๆในทั้งโลกยังไม่ค่อยทำอะไรยังทำไม่เป็นเลย ยังฟุ้งซ่านมากมีควทุกข์ความเครียดมากเลยไอคนมีความทุกข์ควเครียดมากหนักๆมันไนั่งบริกรรมนี่เขนอัดตายมันต้องไปผ่อนคลายซะก่อนเออแล้วก็ใจมันยังไม่เคยฝึกหัดอะไรเลยมันก็มันทําอย่างนั้นทัก่อนแต่คนสําหรับคนที่จะรู้ได้แล้วอย่างที่เราพูดแล้วเนี่ยอย่างที่รู้ตามเรารู้ตามเราที่เราพูดได้แล้วก็อยู่เงียบๆ เ, เดินไปเดินมาในห้องก็ได้คนเดียวเงียบๆแต่ก็ให้รู้ที่ประตูใจไว้ รู้ที่ประตูใจไหมดูอย่างที่เราบอกนี่ยสักตะวันรู้ได้ไหมน่ะที่ประตูใจเราสักตวรู้ที่ประตูใจได้มันจะสักตวรู้ตัางตาหูจ้าหูิ้งกายใจเลยมันสักตะวรู้ที่ประตูใจได้ไหมน่ะเออเราก็ต้องอยู่โจงเียมเงียบเงียบในขนาดนั้นก็อยู่ในห้องก็ได้อยู่ในห้องของเราคนเดยวเงีบเงียบคนเดียวเงียบเงียบไม่ใช่แบบไปนักไปนั่งหลับตาแล้วอยู่นิ่งๆกับใจของตัวเองไม่ใช่ให้มาฝึกอยู่แค่สักตวรู้ที่ประตูใจอ่ะ อาการใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็สับตะวันรู้สัตะวรัวรู้ไม่เจอไปรู้แล้วไปอยู่ปัจจัยว่างๆใจนิ่งๆใจเบาๆใจสงบงนี่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่มันกลับไปในอารมณ์จรพรรสับตะวะรู้เป็นปนิพพานเป็นปนิพพานต้องอยู่วันเดียวี้เงียบบ้างเราชอบเราจะเห็นชัดนะ ตอนไหนแล้วไห <uffy> มตอนเรานั่งต้วมพ่อมันจะให้กวนเดาดีเราไม่วุ่นวายเรื่องการงานอะไรดีแล้วก็สัตว์ประหลุที่ประตูใจสัตว์ประหลุไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้นะเพราะว่าถ้าเอาตัวเราไปรู้เน Chevy ี่ยมันจะคิดวิเคราะห์เราก็รู้ตรงที่เอาตัวเราไปรู้อะไรแล้วเราก็รู้ตัวเรานีดิสัตว์ประรู้ตัวเราไนมะ่ใช่พยายามเอาตัวเราไปรู้อะไรตัวเราเนี่ยอย่าเริ่มต้นไ ป, ไปพยายามรู้อะไรก่อนในขณะที่จิตมันยังไม่เราจะไม่เห็นจิตมันแสดงอาการ เราจะไม่เห็นจิตแสดงอาการเลยเราเป็เริ่มเริ่มพยายามจะไปรู้ไปควานหาไปคิดที่เคาะอะไรอันนี้เราหลงแล้วหลงไปไปพูดเ้ยไปเป็นสังขารไปกระเพื่อมไปไหวตัวเองคือจิตมันยังไม่แสดงแอคชั่นเลยแต่จิตมันต้องแสดงกิริยาการมาถึงจะรู้อาการนั้นคือจิตที่แสดงการจิตยังไม่แสดงกิริยาการเลยเราเริ่มไปเริ่มพยายามรู้แล้วพอพอพอเนั่เริ่มนั่งเครื่องเริ่มพยายามรู้แหละ เริ่มพยายามจะคิดที่เคาะหาหาอะไรเร skills, ิ่มไปหาหาหาอันนี้เสียตใจแล้วเราหลงเป็นสังขารแล้วแทนจะรู้จิตสังขารแต่เราหลงเป็นจิตป็นสังขารเองเราจะต้องไปเริ่มต้นไปรู้ไปเริ่มต้นไปคิดทีเคราะห์อะไรเราอยู่ที่เฉยก่อนเดี๋ยวจิตก็จะเริ่มต้นคิดทีเคาะเริ่มต้นจะพยายามรู้เริ่มต้นจะพยายามทาอะไรเป็นอะไรเราก็ได้จะรู้ได้จะรู้ได้จะรู้มันจะหยุดหเริ่มต้นหพอเราอยู่มีโอกาสได้อยู่คนเดียว เราก็เริ่มต้นจะพยายามไปรู้อะไรเลยเลยเริ่มต้นจะพยายามไปคิดวิเคราะห์เลยอันนั้นเสียท่าแล้วกายมัเป็นจิตสังขารไปปรุงแต่งตัวเองแล้วอันนี้เสียท่าเพราะว่าเราต้องเห็นจิตที่ปรุงแต่งนะอ้าแต่อยู่ๆเราก็ไปปรุงแต่งตัวเองพยายามไปพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามควานหาพยายามคิดวิเคราะห์พยายามก็ไปดูภายในภายในจิตของเราเราเริ่มต้นก่อนแล้วจิตยังไม่ได้แสดงอาการให้รู้ให้เห็นเลยแต่เราเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นก่อนแล้วเสียท่าแล้วนี้ เ ข, ข้าใจไหมครับว่าเริ่มต้นก่อนจิตมันต้องเริ่มต้นแล้วเราก็รู้ตามหลังมันอาจจะเรียกได้ว่ายานตามหลังทำยานคือความรู้ทำในถึงว่าธรรมชาติที่มันปุงแต่งที่มันกระเพื่มที่มันไหวตัวหรือธรรมอารมณ์ที่มปรากฏให้รู้ได้ตามประตูใจในขณะปัจจุ บ, บนันแล้วก็ยานมาตามหลังทำคือทำเนี่ยคือธรรมอารมณ์เนี่ยมันต้องปรากฏก่อน ทำอารมณ์ก็คืออะไรคือความรู้สึกมือคิดอารมณ์เนี่ยมันต้องปรากฏซะก่อนพอทำอารมณ์ปรากฏปุ๊บคือกิริยาอาการเนี่ยมันต้องปรากฏก่อนมันคิดนึกสึกตองมีความรู้สึกนึกคิดนึกสึกตองขึ้นมาก่อนแล้วยานก็คือความรู้เนี่ยมันต้องไปรู้อาการนั้นไปรู้อาการนั้นไม่ใช่ว่าอาการยังไม่เกิดเลยแต่รู้เลยผูกก่อนลแล้วมันผิดธรรมชาติมันเหมือนกับเราจะเห็นรูปเนี่ยเหมือนเห็นรูปเนี่ย มันจะต้องรูปมามาอยู่พอมายุบรูปโผล่มาให้ได้เห็นปุ๊บเราจึงได้เห็นรูปไม่ใช่รูปได้มาแต่เราเห็นรูปก่อนแล้วเราพยายาไมไปเห็นรูปไว้ก่อนแล้วอันนี้มันจะเห็นรูปได้ยังไงมันก็ไม่เห็นรูปเ ส, เสียงเหมือนกันเสียงอยี่ยยังมันเสียพูดเสียงพูดของเราเมื่อเสียงพูดยังไม่ปรากฏมันจะได้ยินเสียงไปก่อนไม่ได้มันต้องมีเสียงพูดไปก่อนจึงจะได้ยินเสียง มันจะต้องมีรูปว่าปรากฏก่อนจึงเห็นรูปเนี่ยพอเราหยุดพูดมันก็ไม่ได้ยินเสียงเราพอเราพูดไปมาปุ๊บมันต้องมีเสียงพูดเราก่อนถึงได้ยินเสียงมันต้องมีกิริยาการของจิตก่อนหรือมีความคิดโผล่ขึ้นมาก่อนหรืจะรู้คิดรู้กิริยาการของจิตไม่ใช่ว่ายังไม่ทันจะมีคิดมีอาการอะไรโผล่เลยเราไปรู้ก่อนแล้วไปควานหาก่อนแล้วเอ๊ พยายามเข้าไปด <ped> e <ría> ูในจิตพยายามเข้าไปค้นพยายามเข้าไปคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอันนี้เสียต่าแล้วเราไปทําผิดธรรมชาติธรรมชาติมันต้องรู้รู้ลูบรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมณ์รู้กิริยาการไปในใจคือมันจะต้องมีสิ่งนั้นแหะปรากฏขึ้นก่อนรู้มันถึงตามหลังถึงรู้ที่หลังรู้ว่อมีลูกโผล่มามันจึงเห็นลูกมีเสียงเกิดขึ้นมันจึงได้ยินเสียงมีกลิ่นเกิดขึ้นถึงได้กลิ่น มีรถมาแตะลิ้นต้งรู้รถมันจะรู้รบไปก่อนแล้วรถยังไม่มาแตะลิ้นเลยมันต้องมีสัมผัสอะไรมาสัมผัสกายต้งรู้สิ่งที่มาสัมผัสความร้อนยังไม่มาสัมผัสกายเลยเนี่ยของร้อนรยังไม่มาแตะกายเลยรู้ความร้อนไปก่อนแหละอันนี้ไม่ใช่มันต้องเออมีความร้อนมาแตะกายต้งรู้ร้อนมีความเย็นมาแตะกายต้งรู้เย็นคือมันต้องรู้ตามหลังไอ้ไอ้ทําที่มาปรากฏที่มากระทบมันถึงจะต้องรู้เนี่ยมันต้องเกิดที่หลัง และไอสิ่ที่มากระทบเนี่ยสางเวยท่มันลิงไกจใจเนี่ยคือธรรมามรมปิยาการเนี่ยมันต้องเกิดก่อนแล้วก็รู้ตามหลังสังเกตรู้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะคอยจ้องรู้ไว้ก่อนไปตั้งรู้ไว้ก่อนไปพยายามรู้ไว้ก่อนมันไม่ถูกวันนี้มันผิดเปนการเป็นว่าเราการเป็นสังขารปรุงแต่งตะเองเราไม่ใช่ว่าเป็นรู้ธรรมชาติรู้อย่างธรรมชาติดีกว่ารู้กัน<อ>เราสังเกตไหม เวลาเราไปเห็นรูปทางตาเนี่ยไปเห็นเนี่ยมันไม่ได้อเห็นเนี่ยมันก็ได้แต่เห็นรูปมันก็ปรากฏการเคลื่อนไหวของมันไปตามปกติเห็นมันก็ได้แต่เห็นเวลาได้ยินเสียงเนี่ยให้ผู้ที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันทําอะไรกับเสียงไม่ได้มันก็แต่ได้ยินเสียงเพราะธรรมชาติของการได้ยินเนี่ยธรรมชาติของการได้ยินมันก็คือทําหน้าที่เพียงแค่ได้ยินธรรมชาติของ ไอเห็นรูกมันเร่อธรรมชาติมันสร้างมาให้ได้เห็นนั่นแหละไอสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมเข้าไปพอใจไม่พอใจอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของใจเพิ่มเพิ่มกับไอต่างหากที่ไปพุ่งแต่งแตธรรมชาติของเห็นเนี่ยมันก็ได้แต่เห็นธรรมชาติของได้ยินเนี่ยมันก็คือได้แต่มันสร้างมาให้แต่ได้ยินธรรมชาติของรู้กลิ่นเนี่ยมันก็สร้างมาแต่ให้รู้กลิ่นธรรมชาติของรู้รสมันก็สร้างมาให้รู้รสธรรมชาติสัมผัสรู้สัมผัสทางร่างกายอร้อนอ่อนเย็นแข็งมันก็ได้แต่ให้รู้สัมผัส มันไม่ใช่ว่าไปรู้อะไรแล้วมันใ้ธรรมชาตินั้นจะไปเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปปรุงแต่งที่หล่นฝักสายได้อ้นั่นเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของใจเข้าไปปรุงแต่งพอใจไม่พอใจไอ้แต่ธรรมชาติของรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจมันเป็นธรรมชาติแต่แต่รู้นอมาแต่รู้ไอ้ทมอารมณ์รู้ความรู้สึกในคิดอารมณ์ภายในใจที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้แต่รู้ธรรมชาติอะมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางมูอลูทางลิ้วลูทางกายรู้ทางใจมันไม่ได้ไปทําอะไร ปรุงแต่งมาทําอะไรสิ่งที่ถูกรู้ได้ไอการพยายามไปปรุงแต่งทําอะไรสิ่งที่ถูกรู้ได้อันนั้นเป็นกิเลสคนมันเป็นกิเลสเพราะธรรมชาติน่ะมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้คือธรรมชาติของธาตรู้ไงมันได้แต่รู้ได้แต่รู้ลู้คิดพอคนฟังแบบนี้มันก็เลยไปตัดตอนตอนที่ว่า ไอ้ไอ้ตอนแรกที่เวทีมันไปรู้อะไรมันต้องมันต้องวิเคราะห์วิจารวิจัยมันไปตัดทิมันก็เลยมันเข้าใจว่าไอ้รู้ตัวนั้นกับรู้ธรรมชาติมันรู้อันเดียวกันมันเลยรู้เอ๋อรู้เอ๋อรู้ทําอะไรแล้วให้มันไม่ปรุงแต่งไม่ไม่วิเคราะห์วิจารณวิจัยตามไปเข้าใจแล้วมันคนละตัวกันเออออไอ้ไอ้ไอ้ไอ้รู้ว่าแรกรู้ปรุงแต่งเพราะมันเป็นธรรมชาติของขันห้าที่เราต้องไปรู้อะไรแล้วต้องคิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยมันเป็นธรรมชาติของขันห้า ยิ่งวิเคราะห์วิจารวิจัยรู้รู้อะไรทั้งตาหูจมูกิ้นกายใจแล้วมัยิ่งวิเคราะห์วิจารวิจัยละเอียดลออรอบคอบขนาดไหนก็ยิ่งเป็นคนฉลาดเดี๋ยวคนก็ไปเรื่อยแต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าไอ้ขันห้าตัวเราที่ไปรู้อะไรแล้ววิเคราะห์วิจารวิจัยเน่ยมันไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไรมันก็ได้แต่รู้ตัวเรารู้จิตเราจะไปรู้อะไรแล้ววิเคราะห์วิจารวิจัยรู้ตรงที่ไอ้ตัวเราจะไปรู้อะไรเนี่ยเนี่ยแล้วตัวเราก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยตลอดเวลา ไอ้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติรู้นิพพานธาตุมันก็ได้แต่รู้ตัวเรารู้จิตเราที่มีก็วิจาณ์วิจัยมันไม่ได้ทำอะไรหรอกไดแต่รู้เพราะธรรมชาติมันได้แต่รู้ได้แต่เห็นได้แต่ได้ยินได้แต่ได้กลิ่นได้แต่รู้รสได้แต่สัมผัสได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้เข้าใจถ้าเข้าใจถูกแล้วมันจะไม่ผิดมันจะไม่มันไม่ปฏิบัติเออไปหมดหลยปฏิบัติกันเออไปหมดเลยเลยซื่อบื้อไปหมดเลยไม่ทำให้ใจนิ่งไม่เป็นคนฉลาดเฉลียวป่าเบี้ยวมันไปดับไปตรงรู้แรก่ะ ไอ้รู้แลกทคิดเป็นสติปัญญาไปดับซะไปดับของสติปัญญาซะไปดับหมดเลย เ, เข้าใจนะเนาะพอพี่นาทำเข้าขนะ ส, สบายใจยังอ่ะอสบายใจยัง <c oughs> เราก็เป็นห่วงนี้แหละเออว่าเดี๋ยวมจะไปนิ่งแล้วมันยิง่งไปเก็บกดอารมณ์ใหญ่สะพอยทิ่งไปไอ้เรื่อมันเริ่มต้นของโรคไอ้นั่นนะโลคคืนเศร้าเริ่มมาแบบมาแบบเนี้ยมาจากอัเนี้ยมาจะ ก, กิดนิ่งตกอีกด้านคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยโรคออสซิติกโรคดาวเซนดมโรคแอสเปกเตอร์เซนโดง แล้วก็สารพัดจ้โรคที่ตามตามมาเกี่ยวกับโรคทางด้านจิต ร, ระบบสมองและโลกพวกนี้ยส้ดมส้ดมพวกอะไรเนี่ ย, ม, ม, ม, ย, ยมาจากนี่หมดนะและรวมทั้งพวกที่เก็บกดพวกที่ซึมเศรา้ามาจากนี่หมดเลยสนใจผิดแบบเนี่ยตอนแรกกระเทียมให้เหตุผลอยู่ตลอดเวลาทลละเลาะเรามีเรื่องมากมายกับคนนั้นคนนี้นานไปไปสนใจดีกว่าไปสนใจเขาปวดหัวอยู่ให้ก็ทําไปดีกว่ามไม่อยามันจะให้มันไป ไม่วาจะกับครอบครัวหรือกับเพื่อนโรงงานเจ้านายลูกน้องพอแค่คิดแค่นี้นะ่ะจิตนิ่งเลยมันตกไปอีกด้านนึ่งเฉยแล้วก็ไปในโลกส่วนตัวนิ่งเฉยว่าอเนี่ยเข้าไปโลกส่วนตัวพอเข้าไปโลกส่วนตัวเนี่ยคือคิดตามมาไายแรงกว่าเยอะไล่แรงกว่า<ม>คจิตมันทํางานไม่ถูก พอจิตมันทํางานไม่ถูกเหมือนนิ่งมันเฉยมันซื่อเบื้อสติปัญญาก็ไม่มีถูกตัดตอนเลยหมดนี่มันก็เลยพอไปเกิดใหม่เนี่ยแม้แต่ในชาตินั้นก็มั่วๆนะในชาติที่มันนิ่งเฉยเออเนี่ยแล้วเคยเห็นนี่พวกนักธุรกิจพวกบริหารอะไรเก่งๆๆพอมาปฏิบัติธรรมผิดแล้วก็ใจผิดเนี่ยมันยังเลยมาปฏิบัติธรรมช้าๆเดินต่อต้นช้าๆช้าๆ ไม่คิดไม่อะไรหันชาชาชาชาพวกเนี้ยเออไปหมดเลยนะเออหมดเลยจากคนฉลาดาการเปเนื่อบื้อหมดเลยอ่ยู่ทั้งพวกเพื่อนว่าหรือหไปชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าจากคนฉลาดการไปคนโง่คนเอ๋อเนี่ยคนว่าเอาเลยว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วโง่แบบเนี้ยไม่ทันคนแบบนี้ไม่ทั น, นเหตุการณ์ไม่ทนมัอ น, ทนอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่มาปฏิบัติดีกว่าจากคนฉลาดการเปโง่ไปชวนคนอื่นเข้ามาปฏิบัติเขาไม่มาเพราะันมันก็ใจผิดแล้วพวกเนี้ย การคนเก็บกดแล้วโอ้อารมณ์แรงก็คือว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอารมณ์แรงกว่าที่ควรมันจะพุงพ่งออกมาพุ่งออกมาแล้วมันจะกั้นไม่อยู่แระงับก็อยู่ก็ท้ที่รู้ว่าตัวเองจะมีอารมณ์แล้วแต่มันกั้นไม่อยู่แลระงับก็อยู่มันลังไม่อยู่มันจะพลุกพลุกุกุกออ ก, ก, กมาต้องคอได้พูดไม่พูดทนไม่ได้พวกเนี้ยเอมันลักษณะเหมือนกับไฮเปอร์ไฮเปอร์แต่ไฮเปอร์ในทางที่ผิปกติคือพวกเนี้ยจริงเยอะมากเลยมันมาจากพฤติผิดหมดเลยพวกเนี้ย แล้วก็ทําให้ระบบสมองเนี่ยผิดแล้วเวลาพลอยระบบเสียงที่เป็นประพุจิตเนี่ยผิดตั้งแต่เป็นเป็นเนื้อเยื่อขึ้นมาน่ะมันก็สร้างเสียงที่ผิดป ก, กติหมดเลยเพราะว่าจิตมันผิดป ก, กติโดยธรรมชาติของจิตมันต้องคิดไม่ต้องเฉลียวฉลาดปากเดียวแต่นี่มันเออตั้งแต่ชาติก่อนๆ น, นู้นนะพอมันเป็นจิตที่เออมาเนี่ยพอมัมันเข้าม า, มายอยู่ในไอ้ธาตดินน้ําลนไฟไอ้มาทาตดินของพ่อมือกูจะเปิมผาดน้ำอของไข่ของแม่ แ้วธาตุลมหายใจธาตุไฟก็เข้าผสมกันไปธาตุดินน้าลมไฟและไอธาตุเอ <allah> ือคือธาตุรู้เอือเนี่ยมันมามันมาเข้าผสมมันเลยเต็มที่มันสร้างหภูมิในจิตเนี่ยมันเลยสร้างเอือไปด้วยเลยเพราะสร้างไม่ถูกเพราะจิตมันไม่ทํางานเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวจะไปทําน่นทํำนี่ยจิตมันต้องบงการแต่นี่จิตมันไม่บงการมันเอือไม่แต่ร่างกายเราที่มีอยู่มันสร้างมาแล้วมันทางานไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่าจิตมันไม่สัางงาน สิ่งที่ควรจะทําให้ทําสิ่งที่ควรจะพูดไม่พูดสิ่งที่ควจะคิดไม่คิดมันเอออย่างเดียวอะบอกว่าสบายสบายแต่สบายไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรนั่นระบบพวกนี้ไปสร้างคุกไว้หมดเลยเราเคยเห็นนี่ไอ้กิตี้เด็กออทิสติกอะ่ะที่แม่เข้ามาคุยธรรมะกับเราแล้วก็เอาลูกมันนอนมานอนไในข้างๆคุยเรื่องอื่นเด็กก็ไม่สนใจพอคุยเรื่องธรรมะ อยู่ตอนยังนงไม่ทราบมันเด็กมันไปโดนไปโดนใจมันมันหัวลอ้องออเออเออเออชักหนีชั ก, กอ๋อโอ้ยขำมากเลยอ่ะแล้วไอ้ตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับ ไ, ไอ้ไอ้ไอ้ไฟที่สับเซชันไฟแรงๆที่มันช็อตอ่ะปับ๊บโอ้โหตว่างมากเลยเฮ้ยเออทำไมเด็กออยสติ๊กจะมีกําลังจิตแรงแบบนี้วะเนี่ยแต่เป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวถูกพุ่มเลยถูกพุ่มหายเรียบไปเลยถูกพุ่มมันอย่างมาพุ่มเลยนั่นคือ ความนิ่งความเฉยความที่เขาสร้างไว้ในความรู้สึกมันมว่ากดปุ๊บ ก, กระทันหัยเลยแล้วก็ดับไปเลยเร็วมากเลยแล้วนึกโอ้ยสมุดบัก๊กแล้วมันโอ้ยสว่างสวัยจนประกายแบบนั้นโอ้ยมันโคตรเก่งเลยเนี่ยตอนแรกแบางคนนึกว่าโอ้ยรักษาไอ้พูมกิดแบบนี้ได้แล้วแล้วมันจะหายจากโลกนี้เลยไอ้พวกเซนโดมเนี่ย เราเรียกว่าโลกวันน้อยหอยสังะโลกวันน้อยหอยสังนะเคยฟังที่ทางหของไทยไปที่ไอ้วันน้อยหอยสังอ่ะคือเกิดมาเปเด็กแล้วก็ไอเข้าไปอยู่ในหอยสังอ่ะพมนีเรื่องอะไรก็หลบเข้าไปในหอยสังหลบเข้าในหอยสังอ่ะยกกระท้างอ่ะไปเีมียเมียแล้วเมียทุบให้แตกกับแม่แล้วไปทุบหอยสังให้แตกนะไว้ให้มีที่หลบอ่ะเราก็นึกนในใจทุบหอยสังไมให้แตกใโลกวันน้อยหอยสังไม่มันมาขุ่เมอนเนี่ยมันควาจะหลบเอาจิตเข้าไปซ่อนในนี้ ไอ้นิ่งเอิร์นิ่งเฉยนิ่งเฉยว่างๆสบายๆเบาๆนี่เนี่มันก็จะหลบเข้ยู่ในนี้เราจะทุบมันมันแตกมันสร้างใหม่เร็วมากเลยสร้างหอยสังเคห์ใหม่มาฮู้แล้วกินเปียงอะไรมันสร้างหอยหอยสังเคใหม่มาฮู้มันแค่แค้ปูเสฉวนที่มันไปหายไอ้ปูเสฉวนที่มันมันชอบไปหายหอยเพื่อกหอยอยู่อาศัยอะทุบเปลือกหอยที่แตกมันออกไปทุบไปหาใหม่ทันทีแต่ั็สร้างเร็วไปปูต้องไปเดินหาเนี่สร้างขึ้นมาเลยจากจากความคิดความรู้สึกของมัน่ะ ก็วแล้วยิงไม่รู้กิ่ทีเหนื่อยเลยปอบไม่ไหวสู้ไม่ไหวเ ว, ว้ยมันเล่สร้างของพุ่มอยู่ตลอดเวลาท่าจะไปช่วยมันได้ไปมอมย่างเงี้ยอู้ยตายเรานึือกอกรรมใครกรรมมันมะวะอย่างเงี้ยแต่โชคเอวีแต๋งคนหนึ่งแตกมาได้ไอ้ไอ้ข้าวหอมให้ข้าวหอมไม่ข้าฟ่างข้าวหอ ม, หาาหอมลูกอันนี้คนลูกเจ้าทีลูกลูกลูกติดเราลูกมันลูกติดเราพอดีเดนผมเห็นตอนแต็กเห็นอะไเห็นมันจุดในใ น, น, ในทอมั้ย แล้วข้อต่อมาแล้วก็มันถูกมันพูดถูกถกุ่งไว้อ่ะพอมันออกมานั้นไม่ว่าโอ้ยใครๆก็พ่อแม่มันก็บอกว่าเข้าใจผิดเด็กคนนี้เลี้ยงง่ายไม่พูดไม่อะไรนิ่งเฉยแล้วมีหน้าหน้าเดียวคือหน้าเป็นคนแก่นั่งนาดับงน่าจนอย่างเงี้ยแล้วมีหน้าเดียววันนั้งวันท่านก็จับไว้ตรงไหนนั่งไว้ตรงไหนก็เป็นอยู่ในในไม่ไปไหนอแล้วไม่มีร้องไม่แอบเดียวใครโอ้เด็กคนนี้เลี้ยงง่ายเง่ายแต่เราเห็นเราตกใจเลย โอ้โหไอนี่มันโดนมันโดนในอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่มันเป็นนิ่งๆเนี่ยมันพุ่งมามันพุ่งมาแล้วมันไม่รู้รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยมันเหมือนเมื่อเมื่อวานเลยเมื่อวานที่ไปสอนที่ที่ไม่สอนที่โน้ะที่มันมีโยคนบอกว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะมันไม่ส่วนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยอากาศร้อนก็ไม่รู้สึกร้อนหนาวก็ไม่รู้สึกหนาวมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาว บนหนูเป็นคนยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยแต่เราพยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรจะถามเหรอคนนื่นก็ถามหมดแล้วเราจะกลับแล้วนะไม่มีอะไรจะถามเหรอเราพยายามที่ไม่มีอะไรจะถามเหรอไม่มีอะไรถามเหรอเดี๋ยวทั้เราอยากให้พูดพูดหน่อยสิมีอะไรพูดอ่ะเขาเลยพูดไม่หนูไม่รู้เป็นคนอะไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยใครพูดอะไรเฉยใครพูดอะไรเฉยเจ้านายว่างไงเฉย อากาศร้อนยังไงก็ไม่รู้สึกร้อนอากาศหนาวยังไงก็ไม่รู้สึกหนาวเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับอะไรเลยใจไม่มีปัญหากับอะไรเลยเราบอกว่านั่นมันผิดแล้วนั่่มันแย่แล้วแลเนี่ยแล้วโทษมันไล่แรงนอะทีนี้ต้องเห็นว่าเป็นโทษมันยิ่ยองออกมาต้าเห็นว่าเป็นโทษมัออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูก็เริ่มเห็นว่าเป็นโทษแล้วตอนแรกเห็นว่าไม่เป็นโทษอาจารย์ก็เคยบอก แต่หนูเห็นว่ามันนั้นไม่เป็นโทษมันดีเพราะว่าทําให้หนูเป็นสุขไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรแต่ไหนได้ที่เขาไปสอบอ่ะไปสอบไอ้เอ่ะไปสอบเสียไอ้ความที่มันเออเนี่ยไม่รู้ล้อรู้หนาวเนี่ยปรากฏว่าเขาส่งกระดาษเป็องเปเปอร์มันเห็นกระดาษเปเปอร์เดียวงงมากเลยบอกว่าไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่รู้เปไม่รู้เป็นไมได้ยังไงคือมองเห็นกระดาษเปเปอร์เดียว คนอื่นก็ส่งสองเพเอร์มันก็เลยตกนะมันลงมาหนึ่งกระดาษเพเปอร์เดียวอแต่พอหนึ่กระดาษเพเปอร์เดียวนะแล้วมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้สอบคือมันไม่ได้กระดับไปส่งใช่ไหมเราะก็ไม่ได้สอบเขาก็จะขอร้องไห้พวกหลายคนช่วยมาปอบโยนว่าอย่าเสียใจอะไรเพยายามมาเชื่อฟังกันนะเขาบอกว่าแท็กซี่คนอื่นมาเสียใจกับเขานะแต่เขาเองเนี่ยเฉยมากเลยแต่เราบอกว่าเฉยมันผิดนะ่ย มันไม่อุ้ยทำไเป็นอย่างนี้โอ้โหคนอื่นนี่มันเสียใจกับเขามากเลยว่ะจีได้โอกาสของเขาถ้าเขาเขาเขาส่งส่งเฟิร์มเขาก็จะได้แล้วตอนนั้นน่ะแต่กนอู่มเขาเสียใจเขาก็าบอกว่าเฉยเขาเฉยมากแต่เขาต่อหลังก็เริ่มมารู้ตัวว่าเขาทําอะไรโดนเจ้านายว่าได้ว่าเลยเลยเพราะว่าเขาทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาทําอะไรไม่เคยรู้เรื่องไม่มีประสิทธิภาพ เราตายไปแลเราจะเป็นออสซิติกนะจะเป็นดาวเซนโดพวกเป็นเซนโดเซนโดแอสเพอร์เกอร์เซนโดดาวเซนโดเรามีโรคอะไรเซนโดเซนโดอเยอะแยะพวกชื้อภาษาปิดและพวกนี้มันจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเด็กพิเศษคนพิเศษไม่คืเหมือนใครเวลามันของขึ้นเมยนจะพูดมันจะทนไม่ได้เวลาอารมณ์เกินมันจะทนไม่ได้เวลามีมีความเครียดันจะมีความเครียดแรงเวลามีเรื่องกระทบใจแล้วก็จะ มันจะแรงกว่าปกติเหมือนคนทั่วไปคือมันจะคิดคิดคิคคิดเราไม่อยาหลงจีจีจีจนปวดหัวจนเอาไม่อยู่คือเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่หมดมันเลยไปอยู่กับอารมณ์ที่นิ่งเฉยนิ่งเฉยอยู่ภายในไอ้นี่โอ้โหร้ายแลงร้ายกาศมากเลยร้ายแรงมากคนเขาจะว่าถูกพิษมาเลยมันะการเป็นเด็กพิเศษไปไปเกิดพวกเป็นเด็กเรียกว่าโลกเป็นพิเศษเป็นกันเยอะนะ ไอ้โรคเด็กพิเศษเนี่ยมันกันเยอะจ mm ิตแพทย์ที่เขเช yes mm ี่ยวชาญเป็นด็อกเตอร์มาจากเกียวเขเคยคุยกับเรานะเขาบอกอาจารย์ไอ uh, ้พวกนี้ม mm ันก uh. ินยานะยาพวกนี้มันจะไปควบคุมการหลั่งสารเคมีนได้ช่วยไอ้อะไรคุณภาพของยาน่ะพราะมันหมดไอ้คุณภาพของยาพวกต้องกินอีกสมุนไพรยาพวกต้องเลี้ยกินอีกความเป็นมากขึ้นนะมันต้องกินเพิ่มเม็ดขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วกินตลอดชีวิตไอเ้เนี่ยยาเนี่ยไม่ได้ช่วยทําใ ห, หา้มันหายหรอกแต่ไปค่อยๆควบคุมเอาไว้แต่ต้องกินยาตลอดชีวิตแต่มันจะหายได้เพราะฝึกกินเนี้ยไอ้หมอเองพูดอะครับเออดรเยอะเพราะว่าจะหายได้ต้องฝึกกินแล้วต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้เพื่จะหายได้แต่มันฝึกยากอ่ะเพเราเนี้ยมันกยากมันปกติผิดปกติมาแล้วจะฝึกมันกลับว่าเป็นปกติฝึกยากมาก เราจะไอยู่ไว้ที่ช่องไอช่องเขาเรียกกันแล้มื่อก่อนเราเรียกเราว่าลูสีเราจะจะกลับไปจะไปอยู่ในช่องเมอร์บิวด้าอะไรช่อกอะไรนะไอเมเมอร์บิวด้าไอที่มันไออะไรไอเครือบินเคืองบินไอเรือเรือมันหายไปเลยใช่ไหมเช็เมอร์บิวด้าไหะเอออย่าไปอยู่ในช่องเมอร์บิวด้อ เพราอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันว่างเบาสบายเดี๋ยวยิบไปยิบมาว่างว่างแล้วเดี๋ยด้วยดมีเข้าอยู่ในช่องมือบิวด้อเลยช่องสุญยากาศจะเข้าอยู่ในช่องศุญยากาศเ๋ยวเชือเดี๋ยวเอันตรายนะออกมาเลยให้มันอยู่กับรู้จิตรู้จิตที่มันไปรู้อะไรแล้วพอไปจิตมันไปรู้อะไรพวกมันต้องคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยโดยธรรมชาติของมันที่คนที่สังเกตนาการละเอียดรอบรอบเนี่ยมันจะต้องรู้อะไรพวกมันจะคิด ที่ข้อวิจัยวิจัยได้เห่นและผลเนี่ยจะยิ่งแตกฉานเหนือคนอื่นไปคนเหนือคนในความรู้พวงเนี่ยแต่มันจะมีเหนือขึ้นเหนือจิตที่ที่ไปรู้อะไรแล้วที่ข้อวิจัยคือธาตุรู้หนึ่งนิพพานานมันก็มารู้ตัวเราว่าเนี่ยมารู้จิตมารู้จิตรู้กายรู้จิตเราจิตมันไปรู้อะไรแล้วทอเนี่ยมันจะได้แต่สัตว์รู้ไจิตที่อมันไม่ทาอะไรจิตที่อหรอกจิตที่ข้อหรอกมันได้แต่รู้จิตที่คิดที่อตอนนี้ถ้ามันอยู่กับรู้ปุ๊บมันก็เลยจะไม่เมื่อยเผล เป็นหลงไปอันนี้มันกลายเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถอะไรได้และวันวันนึงคิดเพ้อฝันไปเรื่อยไปอดีตมากอนาคตมอนไปหาคนนั้นคนนี้กาะเกี่ยวมันนั้นอันนั้มันชีวิตไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรมันเพ้อฝันเรื่อยเปื่อยไปมันทำให้เกาะเกี่ยวเรื่อยเปื่อยไปแต่ถ้าจิตมันเป็นรู้อะไรแล้วมันคิดวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเราะวิจารวิจัยเนี่มันจะเป็นคนฉลาดมากฉลาดเหนืคนได้รู้เนี่ยมันก็มีเหนือกว่าไจิตที่ไป็รู้อะไรแล้วคิดวิเคราะห์ก็คือไอ้ชาดรู้ในฟ้าทาติก็ได มันไม่ทิ้งรู้ทุกขณะจิตปัจจุบันเลยรู้อะไรก็มารู้ไอจิตที่มันคิดที่คอ์เนี่ยทุกขณะปัจจุบันและไอจิตที่ไปรู้อะไรที่คิดที่คห์คือไอจิตที่เป็นขันหานะไอตัวนั้นนหละคือมันปรุงแต่งไปรู้มันเป็นสติสมาธิปัญญาในขันห้าคือมันปรุงแต่งไปรู้คือมันจะต้องไปรู้อะไรมันต้องวิญญาณธาตุมันต้องอาศัยวิญญาณธาตุไปรู้รู้สองตาหูจะหัวนินไกใจกไอเนี่ยไอวิญญาณธาตุที่มันไปรู้อะไรเนี่ยคือวิญญาณในขันห้าเนี่ยมันจะวิญญาณธาตุวิญญาณในข รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยไอวิญญาณในขันห้ามันช่เป็นวิเป็นผีนะคนก็บอกวิญญาณเป็นถูชาวบา้านเขแปลวิญญาณแต่ว่าผีไอวิญญาณเนี่ยไอวิญญาณในขันห้ามันได้แต่รู้รู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจแล้วมันรู้แล้วมันต้องขยันคิดวิเคราะห์ละเอียดอ่อนระเกตจดจําเรียนรู้ทำความเข้าใจมันจึงแตกแขนเนอคนอื่นไอเนี่ยมันเป็นวิญญาณในขันที่ห้าคือร่างกายจิตใจเราเนี่ยที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือร่างกายจิตใจเราเนี่ย ไอ้เรมันเป็นขันห้ามันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่พอสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันติดเสร็จปุ๊บมันก็เอสเปิร์มเป็นธาตุดินไข่เป็นธาตุน้ํนาแม่ก็หายใจเอาเอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปแล้วไปเคี้ยวเป็นเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้วก็ไอ้วิญญาณเนี่ยมันวิญญาณขึ้นมาเนี่ยไอ้วิญญาณวิญญาณธาตุน้าที่มาเนี่ยแต่เป็นวิญ ญ, ญาณหลงคือมันยังหลงหยึดอยู่ก็มามาผสมกับธาตุดินน้ําลมไฟ แล้วันก็เลยเป็นน้ำรูกหรือมีรูกมีเวทนาสัจยาสังขารวิญญาณมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีตาวูจมูกลิกนกายใจเพราะน้ํารูปเป็นปัจจัยเกิดตาวุจมูลิ้กายใจขึ้นมาเนี่ยมันมาผสมบันให้ไอ้ร่างกายเราจะมีความรู้สึกแล้วคิดอารมณ์ล้วมีตาหุจมูกลิ้กายใจมันผสมเอามาเพิ่มผสมกอนในชาตินี้แต่ละชาติแต่ละชาติไปรูปร่างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วแต่ผสมเปลี่ยนไปแต่อวิญญาณเนี่ยมันมันลอยมานะไมันจะรอยช็อตัวมาหรอมันมาเฉพาะวิญญาณที่่รรูู้้แตมันหลง มันเละลอยมามารวมได้แต่ถ้ามันรู้ไม่หลงแล้วมันไม่ันไม่รวมกับอะไรแล้วมันเป็นอมตะที่รวมมันเองเป็นแต่รู้ดงนั้นพอมารวมเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยที่มันรู้หลงเนี่ยวิญญาณอาชาที่มันรู้หลงเนี่ยพอมารวมกับธาตุดินน้ําลมไฟอ่ะที่จะเปิมของพ่อกับใครของแม่ผสมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นก้อนเลือดถึงเลือดไอ่ ไอ้วิญญาณธาตุรู้เนี่ยก็มาว ร, รวมเขารวมเสรก็เป็นขันธ์หน้ามีร่างกายจิตใจคือความรู้สึกและิดอารมณ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปก็ร่างกายเวทนาก็ญญาคือความรู้สึกแล้วก็สัญญาความจํำได้ไปรู้สังขารก็คือความคิดอารมณ์วิญญาณก็รับรู้รับรู้ทางตาใจหูนิ้วกายใจพอรับรู้แล้วมันต้อง คิดคอกขยันคิดว <The> ิเคราะห์วิจารวิจัยมันอาศัยต้องอาศัยสติปัญญาเรียนรู้จดจำทำความเข้าใจสังเกตจดจําเรียนรู้ต้ทำความเข้าใจสังเกตมันอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้าเนี่ยมันยิ่งอาศัยขันห้าเต็มสติกําลังความสามารถเท่าไหร่มันยิ่งเป็นคนฉลาดเท่านั้นยิ่งฉลาดเหนือคนเัราะในตัวขันห้าเนี่ยพอวิญญาณขันเนี่ยมันไปรับรู้อะไรต่างๆเวทวิญญาณขันมีหน้าที่รับรู้พอมีรูปมากระับตา วิญญาณอสานเนี่ยมันก็ไปเกิดเป็นจักรุวิญญาณไปรับรู้รูปทางตาแล้วมันก็มีหน้าที่ส่งต่อเวทนามีความรู้สึกจูกใจไม่จุดใจส่งต่อสัญญาจําได้ส่งต่อสังขารความคิดความคิดความปรุงปรุงคิดคิดปรุงนี่นะมันก็เลยปรุงคิดคิดปรุงเนี่ยยิ่งเรียนรู้สังเกตจดจําเรียนรู้ทำความเข้าใจยิ่งฉลาดเหนือคนเนี่ยมันอาศัยกระบวนการในขั้นหน้ามันเฉลาดเหนือคนเป็นคนขยันมันเพียรเล่าเรียนเรียนรู้ทำความเข้าใจสัเกตจดจ ตัวได้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ไอ้นี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยมันจริงรู้อะไรมันยิงคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยทุกขณะที่ผลกระทบตางหูเจ็บลิ้นกายใจไอ้ธาตุรู้ที่ผ่านธาตุเนี่ยมันก็ได้แต่สัพพะวรู้สัพพะวรู้ไอ้ขันห้าที่ไปรู้อะไรเนี่ยแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมีตัวหรอกไม่มีรู่างมันยังไรเลยเพราะไอทีมันมีความรู้สึกมันคิดได้มันเป็นเรื่องขันห้าหมดแต่ไอ้ไอ้ธาตุรู้มันคิดไม่ได้ มันไม่มีตัวไม่รูปร่างไม่อะไรเลยมันได้แต่รู้ธรรมชาติสร้างมาได้แต่รู้คือธรรมชาติของสร้างุดินธาตุดินเนี่ยธรรมชาติของสร้างุดินธาตุดินมันทาหน้าที่มาสร้างสร้างมาให้เป็นของแข็งให้มาค้ำยูปโองสร้างของร่างกายธรรมชาติของธาตุน้ำมันก็สร้างมาให้เป็นระบบการไหลไหลลําเลียงอาหารเป็นเป็นขับเหงื่อขับอะไรออกไปจากร่างกายเช่นน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ําปัสสาวะธรรมชาติของธาตุลมก็ แต่คำหน้าที่ของเราพอออกเียนเข้าไปในร่างกายเราเอ า, เอาคำวันใจของเราสียออกมาทําให้กระแสเลือดหเดียนทําให้ไปใน เ, เลือดเลือดแดงไหลหมดเยนแล้วก็ธรรมชาติของธาตฝไฟก็ทํ า, าให้มีความร้อนอุดและะ้วธรรมชาติของธาตุรู้คือได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่รู้ตัวตนไม่มีทําอะไรไม่ได้คิดไม่ได้ธาตรู้นี่ได้แต่รู้คิดไม่ได้พูดไม่ได้ไ ม, ไดมันมันคิดไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาให้รู้ไม่ใช่สร้างมาให้คิดถ้าสร้างมาให้คิดมันต้องเป็นขันห้า มันต้องเป็นจิตที่ปรุงแต่งฝ่ายปรุงแต่งใค้รู้เนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายต้องปรุงแต่งฝ่ายจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝ่ายจิตที่ปรุงแต่งคือฝ่ายที่มันปรุงแต่งได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้แต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันสร้างมาให้ได้แต่รู้งนั้นธรรมชาติเนี่ยของจิตเนี่ยมันมีสองธรรมชาติคือธรรมชาติของจิตที่มันปรุงแต่งได้กับธรรมชาติของรู้คือรู้เนี่ยไม่ปรุงแต่ง ถ้าเราก็ใจอย่างนี้รู้อะไรก็มารู้จิตที่ปรุงแต่งอทุกคิดทุกท ก, าการแล้วอย่าไอตัวมันเองอะ่ะมันไม่ปรุงแต่งแต่มารู้จิตที่ปรุงแต่งแต่เราไมายากทําให้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งเราก็ก้าวายหน้าที่ของไอ้หน้าที่ของจิตที่มันปรุงแต่งเพราะเหมือนกับเราสองคนเนี่ยเขาจ้างไม้เราทําหน้าที่รู้ แต่จ้างมาอีกคนหนึ่งเนี่ยให้ทำหน้าที่ปรุงแต่งเรียนรู้จดจำตามควาเข้าใจเรียนรู้จดจำตามควาเข้าใจสังเกตการณ์คูณหน้าที่รู้ให้มากเรียนรู้ให้มาจดจําสังเกตลเรียดละอ้อรอบครอบต่างๆอู่จะมดนิดกายใจไอ้นั่นเนี่ยเขาจ้างมาให้ทำหน้าที่ปรุงแต่งยิ่งเก็บข้อมูลได้มากยิ่งรู้ลึกเข้าใจยิ่งละเอียดยิ่งเก่งมากกลายเป็นแบบว่าอะไรอ่ะาผู้กูเ่ิลเนี่ยใครก็ต้องมาพึ่งเงินเนี่ย เพราะว่ามันจริงเก็บข้อมูลเรียนรู้ทำความเข้าใจใครก็เข้ามาอยากเข้ามาเติมมันก็รู้เรื่องทุกเรื่องแต่หน้าที่รู้ไม่ใช่ว่าหน้าที่ไปปุงแต่งมันมีหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้รู้อะไรไครรู้ไอ้จิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเน่ยเขาสร้างมาให้เหลือจิตปรุงแต่งคือสร้างมาให้ให้มารู้จิตที่ปรุงแต่งไอ้รู้เนี่ยมันเหลือจิตที่ปรุงแต่ง ไอรู้เนี่ยถ้าพูดถึงไอรู้เนี่ยได้งเงินเดือนมากกว่าเยอะหลายเท่าเป็ผู้บริหารเป็นบิ๊กบอสตัวได้ปรุงแต่งเนี่ยคือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจารณวิจัยทําหน้าที่แต่ไอบอสเนี่ยไม่มีหน้าที่เราไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจารวิจัยได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้เนี่ยเป็นหน้าที่บิ๊กบอสได้แต่รู้ตัวปคุมตรวจสอบอยู่ได้แต่รู้ได้แต่รู้ แต่เราทำผิดหน้าที่เอาไอ้รู้เนี่ยไปควบคุมให้ไอ้เจ้าหน้าที่ไม่มีข้์วิจารณ์วิจัยให้มันรู้เออรู้เออรู้เออไม่ต้องทะไปควบคุมให้กินที่ปัดที่แต่งให้มันแม่ไม่มีข้อวิจารณ์วิจัยให้มันให้คนนั้นนํามันเสร็จไปแล้วเราไปตัดแขนตัดขาไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันทำเจ้าหน้าที่มีข้์วิจารณ์วิจัยและให้เดี๋ยวแต่รู้ไปสั่งมาเจ๊งอยงนั้นเนี่ยก็พังก็ทุกเลยตอนนี้มันทุก เราต้องทำหน้าที่แต่รู้แต่รู้แต่รู้จะไปทำหน้าที่ปุกแต่งพุกแตงเปเรื่อยของจิตเาปเรื่อยของจิตไปปรุกแต่งพอเราตายแล้วที่อายุไขเราก็ใช้แบบนี้มันก็เหลือแต่รู้ไอ้จิตปรุงแต่งก็ดับไปเลยก็เหลือแต่รู้ไอ้บอสเนี่ยไอ้บิ๊กบอสที่ทำแล้วที่รู้แล้วไปทำมาตางไปตายแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำที่ข้อมิจฉาชัน่ะมันจะแตกแตกดับตายไปแต่บอสไม่ตายเพราะว่าบมันไม่เกิดไปดับ มันไม่มีกิริยาการใดๆเลยมันจะรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีกิริยาการใดๆมันเลยไม่ตายเพราะมันไม่เกิดมันเลยไม่ตายพอไอ้บริษัทเย้งไปคือตายแตกสับธาตุชั้นแตกสับไอ้เจ้าที่ที่สมาธิวิเคราะห์วิจารวิจัยตลอดเวลาเนี่ยเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจารวิจัยมันก็ดับไปด้วยไอ้รู้เนี่ยมันก็เลยมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันไม่เกิดไม่ดับมันได้แต่รู้มันเป็นชาตุว่างเปล่า มันก็เลยหายไปหายตัวไปในจักรวาลในธรรมชาติมันไม่เป็นพุ่งแฝงล่างใหม่แล้วพ่อไม่รู้หลงแล้วมันร่วมเป็นรู้มันจะแบบมันเป็นเป็นตแต่งมันเป็นรู้ ม, มันไม่เป็นพุงนนนน่งแฝงมาแล้วไม่เป็นพุ่งแฝงอีกตอนมาไปมันก็เลยจะรู้อย่างเป็นธรัมตัณเข้าใจไหมล่ะกลับไปจะได้จำความปัจจัยปฏิบัติให้ถูกแล้วก็เปลี่ยนอย่างที่เราเนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับตัวคนหนึ่งเทีย่ย แล้วฝึกอย่างที่เราสอนเนี่ยไม่ได้ฝึกไม่ได้อยู่ตรงกันเดียวนี่แวบทำใจนิ่งๆอีกอ่ะเออเข้าไปใกล้เน่อยทีก็อ่านแท็บอันี้ว่ า, ามีจะมีเสียงเราพูดเข้าม า, ม, ามื่อจะพูดว่ะค่ะที่เราไปนี่ไปนั่งอยู่ข้างบนมันเหมือนกับ ใจเรามันเป็นลูกโป่งเยอะแยะมากมายแล้วก็เราสือเชือกยาวมากเลยแล้วพอนั่งแล้วก็รู้สึกเราค่อยๆเก็บลูกโป่งเข้ามาทีละลูกทีละลูกเข้ามาค่ะจะพอเก็บมาสักพักแล้วมันเหมือนกับมันเต็มแล้วเหมือนกับที่เราเก็บเข้ามาแล้วมันยังไม่ลงไปสุดอ่ะไอที่มันยังเหลืออยู่มันก็เลยเก่นมาไม่ได้อะค่ะอะ ไปเก็บอะไรเวลาไม่จะปล่อย tamam> ไปปล่อยไปหมดเหมือนกันเหมือนกับให้ไข่เหมือนกับเรามันรวบเข้ามาหารวบรวบถุรวบรวบรวบเข้มาหาที่มันจะฟูเหมืเราก็รวบไปเรื่อยๆค่ะแต่พอไอ้ที่รวบลงมาแล้วค่ะเหมือนมันเต็มกล่องแล้วมันยังฟูอยู่อ่ะมันไม่ลงแล้วถ้าไม่มีกล่องแล้วมันมันไปรวบมาไปรวบพอเข้ามาในกล่องแล้วกล่องก็ไม่มีพอตัวตนไม่มีเราไปสมมติฐานสุดคิดเหมือนก็รวบเข้ามาในใจที่เป็นกล่อง ลูกโป่งสวัสดิ์เราไปรูกก็ทีละลูกละลูกละลูกความจริงเนี่ยเราปล่อยหมดกองก็ไม่มีอลูกโป่งก็ลูกโป่งมันจะดียังไงมันมันจะเบาสบายยังไงก็ปล่อยไปปล่อยไปล่อยไปหมดมีอะไที่ปล่อยอย่างเดียวรููละรู้ละดูละปล่อยรูละปล่อยดูละปล่อยปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยออกไปด้วยไม่ใช่รวบมาเข้ามาะทั้งปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดแล้วก็ที่สุดแล้วพี่เรารู้สึกว่าปล่อยหมดแล้วไม่มีอะไรจะปล่อย ไอตัวที่รู้สึกว่ามีอะไรจะปล่อยนะก็ปล่อยตัวเราไปด้วยไอตัวเราที่ไม่รู้สึกจะปล่อยน่ะตัวนั้นน่ะก็ตัวร้ายเลยแล้วก็ปล่อยตัวเราที่เราไม่รู้สึกว่ามีอะไรจะต้องปล่อยแล้วก็ปล่อยไอตัวเราที่ไม่มีอะไรจะต้องปล่อยแล้วนะคือปล่อยตัวเราแล้วก็ตอนนี้ก็สบายเราไปคิดว่าใจเราเป็นกองเราจะเก็บอะไรได้ตอนนี้กป็นที่เก็บความทุกได้เก็บอารมณ์เก็บความสุขเก็บกองทุกเลได้สมือนได้สต่ใจเราไม่มีอคือใจไม่มีตัวนไม่มีอะไรสักอย่างไม่เก็บอะไรได้ เขนจะเก็บอะไรไม่ได้เลยทุกอยรู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็ละไปรู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็ละกไปรู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็ลาไฟเรื่อยละไปเรื่อยลาไปเรื่อยทุกขณะทุกวันทำต้อย่างนี้อย่างเดียวไม่เก็บอะไรไว้เลยดีก็ไม่เก็บไปชั่วก็ไม่เก็บไปถูกใจก็ไม่เก็บไปไม่ถูกใจก็ไม่เก็บไปไม่เก็บอะไรไว้ักอย่างหพราใจนม่มี่เก็บไม่เหมือนไายปลาราที่หมักอะไรไว้ทุกอย่างทุกไายปลาร้าให้แตกนะจะอะไรก็หมักไว้ทั้งดีและชั่ว